ชาวิสัชนาทรรมกับท่านลงราเมันกับผีนาเรียนต่ออริยศั์แห่งกิต คืออะไรมันขึ้นมาก็น้อมคิดแบบนี้มันก็ยังมีมันก็ยังมีตัวตัวเราที่แบบคอยบอกตัวเองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรากุ้งก็เลยไม่รู้ว่าเราเราทําแค่นี้ใช่ไหยคะกุ้งกวก็ไอตัวที่บอกตัวเราเองว่าไม่ใช่เราและไออาการทั้งหมดที่มันปรากฏมาที่เราบอกว่าอาการที่ป ร, ก ร, รากฏได้รับรู้ก็ไม่ใช่เรา และไอตัวที่เราบอกตัวเราเองว่าไออาการทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราอันั่นก็คือไอในตัวนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เราอาศัยมันไว้ก่อนแต่เราในใจเรารู้อยู่แล้วว่าไอตัวที่คอยบอกคอยสอนว่าไอตัวที่มีอาการทุกอาการเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ไอตัวที่คอยบอกคอยสอนนั้นมันก็ไม่ใช่เราอีกเพราะว่ามันเป็นตัวอาการที่ปรากฏไอ้ตัวคอยบอกคอยสอนเนี่ยก็เรียกว่าตัวตติตัวสมาธิตัวปัญญาเป็นตัวปรุงแต่งในขันห้า โอวสติเป็นสังขารขันสมาธิเป็นสังขารขันปัญญาเป็นสังขารขันสังขารแปล ว, ว่าปรุงแต่งไอตัวที่คอยบอกคอยสอนเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแตง<อ>่งไอตัวสังขารขันเป็นตัวปรุงแต่งมาคอยบอกคอยสอนอยู่อยู่ตลอดเวลาเลยทุกขณะที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในตัวที่มีอาการอะไใดก็ตามว่าเนี่ยไอทุกตัวที่มีอาการทั้งหมดปรากฏเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราและตัวที่บอกสอนก็ไม่ใช่ด้วย แต่ต้องอาศัยมันเป็นเรือข้ามฟากเนี่ยที่ท่านกล่าวอ่าเราจะทิ้งไอ้ตัวเรือข้ามฟากแล้วจะกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นทันทีมันไปไม่ได้มันก็ต้องอาศัยไอ้ไอเรือเนี่ยไอ้สติสมาธิปัญญาที่เป็นสังขารขันเนี่ยเป็นตัวเรือข้ามฟากเราจึงขาดตัวสติไม่ได้สติเน่ยจึงเป็นตัวสังขารขันเป็นตัวสังขารไปว่าตัวปรุงแตง่ง เราต้องอาศัยเป็นเรือข้ามฟากจนกระทั่งเราเนี่ยสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นไอตัวเราที่มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ที่มีทุกกิริยาการไปไอตัวที่คอยบอกสอน่มันก็ต้องไม่ต้องใช้อีกแล้วมันก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาคอยบอกสอนอีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครมายึดแล้วมันก็เลยไม่ต้องมาคอยบอกสอนมันก็จะหายไปเองเรือเนี่ยมันก็จะหายไปเองเรือที่ใจข้ามฟากมันจหายเองดังนั้นเนี่ย ในหนังเจ้ามหาสัตตะลาโลกตอนที่พุทธเจ้าพูดกับอนาถะิติกาศเศรษฐีอ่จึงบอกว่าไอตัวที่มีสติเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวฆ่านะเราไปดูดิว่าตัวที่มีสติเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวฆ่าตัวที่มีกิริยาการทั้งหมดใดๆทั้งหมดไม่ใช่ตัวฆ่าทั้งหมดเลยเพราะตัวฆ่าไม่เกิดไม่ตายไม่มีใครทำลายทำลไยตัวฆ่าได้ ลิน้นเนค่ะอย่างอุ้ฟังมาหลายวันฟังของคนอื่นมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะกับกับฟังวันนี้กับฟังวันนี้ทําแค่นี้กับที่ฟังมาหลายวันว่าต้องพุดโธไปจนกว่าให้สิตทธส์อัศวานเสร็จแล้วพิจารณาความตายเพื่อให้ไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็คือต้องต้องแบบนี้ต้องแบบรูปแบบแบบนี้ก่อน หรือว่าพีนาไปเลยะคะ่ะเพราะตัวเราไม่มีเรื่องนี้ก็มีคนมาถามเราอยู่เรื่อยๆสองวันนี้ก็มีตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีคนถามเราเมื่อเช้าก็มีคนถามเร า, าเ อ, อาจารย์ทำไมเดี๋ยวอาจารย์ก็บอกคนนี้พูดโธพูดโธพุโทโธไม่ต้องสนใจอะไรพุโทโธอย่างเดียว เดี๋ยวบางทีแลบางคนนี้อาจารย์ก enfin like ็บอกว่าให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วก็รู้ทุกคิดรู้ทุกอาการให้สักแต่ว่ารู้รู้ทุกคิดทุกอาการเอาเป็นหลักไว้มั่นคงเอาเอาหลักไว้ยังอื่ไม่เอาปล่อยวางหมดเอาแต่หลักไว้พุทโธพุทโธพุทโธยังอื่นปล่อยวางหมดเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าให้พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือรู้เราไม่ใจก็ออกไปจนใจสงบแล้วก็มาน้อมพิณาร่างกายตัวเองให้น่าคเกิดผุพังสลายไปหรือว่าบางทีอาจารย์บอกว่าให้น้อมขึ้นมาเลย ไอ้ร่างกายมันเน่าเปื่อยผูพังไปเลยโดยไม่ต้องไปพุดโธก่อนเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาสอนแบบนี้อย่างที่สอนเมื่อกี้มันเป็นยังไงหนูก็งงที่หนูก็งงไปหมดเลยเนี่ยแล้วมันอันไหนมันยังไงกันแน่เนี่ยก็มีคนมาถามเราเยี่มกันเราว่าหลายคนเนี่ยคงไม่เข้าใจอย่างปุ่มก็คงเยอะเหมือนกันนะ เราถามจริงๆใครไม่พอใจยกมือดิเอ้าจริงๆเนี่ยใครสงสัยอย่างที่ที่เราพูดนี่ป่ะนี่สงสัยคนลนะอ่ะเราเขาว่าหลายคนสงสัยจะไม่กายยกมือคือเราพูดเนี่ยหลายคนจะไปงงไปเอาของสํานักนู่นสํานักนี่ของอาจารย์นู่นอาจารย์นี้แต่ก็คือมันก็คืออยู่ในในหลักการเหล่านี้ทั้งหมดที่เราพูด คือปกติก็ให้รู้เวทนาไปก่อนให้รู้พุโทโธพุโทโธรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ต้องพองต้องยุบรู้เท้าที่ก้าวเดินแล้วแต่น้องๆหลายๆสำนักก็สอนแตกต่างกันไปแม้แต่เราสอนเองตัวเราสอนเองแต่ละคนเราก็สอนไม่เหมือนกันใช่ไหมเอออย่างที่เราพูดไปนั่นแหละเราก็ไม่เหมือนกันเราจะลองดูที่ว่า ถ้าเราพูดตรงนี้เลยแล้วบางคนสามารถเข้าใจได้เลยสามารถปล่อยวางตรงนี้ได้เลยเขาก็สามารถปล่อยวางตรงนี้ไปเลยเขาก็พ้นทุกไปเลยเข้าถึงใจที่วางปล่าไป เ, เราก็ลองพูดดูว่ามันจะมีใครสักคนหรือไม ที่ฟังเราในที่นี้และฟังเราใน YouTube ต่อไปในวันข้างหน้าหรือหลังจากที่เราตายไปแล้วมาฟังเสียงเราเราก็เผื่อว่าจะมีมนุษย์หรือเทพเทวดาที่มาฟังทำสามารถที่จะฟังแล้วเข้าใจตรงนี้เลยเข้าถึงความไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรสักอย่างเดียว เพื่อเข้าถึงความไม่เอาอะไรเลยถ้าใครสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้เลยก็เข้าถึงตรงนี้เลยเราก็เผื่ออย่างนี้ไว้ถ้าใครเข้าถึงไม่ได้ฟังเราแล้วไม่เข้าใจเราก็ถอยมาให้อีกเอาทายางานเนี่ย หนูยังไม่เห็นเลยพูดมีมันมีความรู้สึกหรืคิดอารมณ์ยังไงก็ยังไม่เห็นเราก็ลองให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มีหลักไว้อันหนึ่งเราจะได้ไม่หลงคิดฟรุงซ่านอะไรไปหลงเม่อเพลเพลินไปถ้าเรายังหลงเหมื่อเพลเพลินบางครั้งเราบอกว่าไม่ต้องใช้หลักด้วยไม่ต้องมีหลักหลงเมื่อเพลเพลินหลงปรุงแต่งฟงรุงซ่านไปก็แค่รู้สึกตัวขึ้นมา หลงปรุงแต่งฟรุงซรางไปก็แค่รู้สึกตัวขึ้นมาหลงเมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงปรุงแต่งฟรุงสร้างหลงเม่อเพล่เพลหลงปรุงแต่งฟรุงสร้างหลงไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งใดก็แค่รู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปปรุงแต่งฟรุงซร้านหลงไปยุ่งกับอาการหลงไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้หลงไปเชื่อเขากลิ้ตกลิ้นขาวหลงไปกังวลใจกับคนนั้นหวงแหนคนใจกับนี้ ก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงทุกครั้งก็รู้สึกตัวนมาหลงเมื <Aqu Factory> <tangible> ่อไหร่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาถ้าอย่างนี้ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยไม่ต้องเครื่องล่อไม่ต้องพุทโธพูทโธไม่ต้องรู้ลมหายใจก็ออกไม่ต้องหนอหนอหนอไม่ต้องรู้อะไรทั้งหมดอะแค่หลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเดี๋ยวกระทั่งความหลงเนี่ยที่ไปยุ่งวนุ่นวายที่ไปปรุงแต่งไปเกาะเกี่ยวไปพัวพันไปจิตขนาดจิตนั้นนะจิตมันเข้าไปอ่ะมันเห็นเน่ยคนอย่างเนี้ยคนที่ทำได้ยังงี้คือ <orian. S 2> เห็นจิตที่มันแลบส่งออกไปก็เรียกว่าจิตส่งออกเห็นกิริยาอาการของจิตที่ส่งออกไปในขณะปัจจุบันแต่และขณะว่ามันไปยุ่งกับอะไรมันไปช่วยเขาคิดคิดแทนเขาคนนี้คนนี้คนคนนี้ในขณะจิต ท, ที่มันแลบออกไปอ่ะมันแล่นออกไปหรือมันส่งภาษาหลวงปูดนะป่ดูลนะกัโฑโรเ้คําคว่าส่งจิตออกนอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตขณะที่มันส่งออกนอกเนี่ย เป็นมักขณะนะขณะปัจจุบันที่มาส่งออกนอกเนี่ยเป็นมักคือวิธีการปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ผลแห่งจิตเห็นจิตขณะที่มาส่งออกนอกเป็นนิโรธหัวใจคําสอนพระเจ้าอยู่ตรงเนี้ยอริยสัจสี่คือจิตส่งออกจิตส่งออกนอกเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตขณะที่มาส่งออกนอกเป็นมัก ผลเองจิตเห็นจิตเป็นนิโรธตอนนี้เมื่อก่อนเนี้ยเมื่อเราสอนอย่างนี้พอเราสอนตรงนี้เราก็จะยกตัวอย่างให้มันตรงกับอันนี้เมื่อเราสอนเมื่อกี้นี้ถึงขัน้นถึงธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนเป็นวิญญาณธาตุไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไอต้ตัวเราที่มีกิริยาการไม่ใช่ตัวเรา ใครฟังเราตรงนั้นไม่เข้าใจเราปล่อยผ่านเลยเอาฟังกี่หนกี่หนเราพูดไม่เข้าใจเราก็เอาใหม่หลงส่งจิตออกนอกและผู้นั้นสามารถเห็นขณะจิตปัจจุบันที่ขณะกําลังส่งจิ ต, อ อ, อ, จ ต, อ, อ, จตออกนอกไปเกาะเกี่ยวพัวพันไปวุ่นวายส่งจิตออกไปสรงจิตออกนอกไปถ้าผู้ใดเห็นอย่างเนี้ยไม่ต้องมีตัวช่วย ไม่ต้องมีพู้โถพผู้โธโไม่ต้องมีรู้เราไม่ใจก็ อ, ออกไม่ต้องไปรู้ขาที่ก้าวเดินไม่ต้องไปรู้คํำวิรีการใดๆเห็นจิตส่งออกนอกเลยทุกครั้งรู้เต่าทานจิตส่งออกนอกให้รู้เต่าทานฝึกรู้เต่าทานขณะจิตส่งออกนอกรู้เต่าทานขณะจิตส่งออกนอกเมื่อจิตมันส่งออกนอกก็รู้เต่าทานส่งออกนอกอะไรก็ส่งออกนอกจากตัวอยู่ไหนใจไม่อยู่นั่นตัวทําอะไรใจไม่อยู่กับสิ่งนั้นแต่มันไปอยู่กับอะไรนี่เขาเรียกว่าส่งออกนอก ตัวอยู่ไหนใจไม่อยู่นั่นตัวทำอะไรใจไม่อยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่กำลังฟังธรรมแต่ใจไม่มาฟังธรรมไปไหนอะส่งออกนอกไปไหนนั่นแหละคือส่งออกนอกตัวกาลังตัวอยู่นี่กำลังฟังธรรมนั่นคืองานงานที่งานคือปัจจุบันคืองานฟังธรรมแต่ใจจิตใจไม่อยู่กับการฟังธรรมมันไปไหนอะมันไปอดีตไปกังวลใจกับอดีต ไปกังวลใจกับอนาคตไปไม่สบายใจกับอดีตมันส่งออกนอกข้ามรัววัดไปไหนแล้วไปหาใครที่บ้านอันเนี้ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันคือไม่อยู่สิ่งที่กําลังกระทําในปัจจุบันที่ฟังอยู่ในปัจจุบันที่พูดอยู่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าส่งออกนอกจากปัจจุบันคือที่กําลังทําอะไรอยู่ที่กําลังพูดอะไรอยู่ที่กําลังฟังอะไรอยู่ในปัจจุบันมันแวบไปแล้ว อันนี้ยเขาเรียกว่าส่งออกนอกจากปัจจุบันก็ mm hmm. เห็นมันเลยมันส่งออกไปว่าตัวทําอะไรแต่ใจมันไม่อยู่กับสิ่งนั้นมันส่งออกนอกไปไหนแล้วเราก็รู้เท่าทันเอ้าเอาใหม่เดี๋ยวไอ้แล้วตัวทําอะไรใจไม่อยู่กับสิ่งนั้นก็รู้เท่าทันเอาเอาใหม่ถ้าใครเห็นอย่างเนี้ยเรียกว่าเห็นจิตส่งออกนอกเห็นจิตส่งออกนอกคือเอตัวทําอะไรใจไม่อยู่กับสิ่งนั้น ตัวอยู่ไหนใจไม่อยู่นั่นกายทำอะไรใจไม่อยู่กับสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าส่งออกนอกถ้าใครสามารถเห็นมันขนาดเนอะขณะจิตที่ส่งออกนอกก็จะเป็นมรรคผลแห่งเห็นหรือรู้เท่าทันขณะที่จิตส่งออกนอกในปัจจุบันนั้ น, น, นก็จะเป็นนิโรธก็ทำแค่นี้เลยตอนนี้พอถึงตรงนี้ที่เราสอนตรงเรื่องจิตส่งออกนอกเราก็จะยกตัวอย่างว่า เราเคยเข้าใจผิดว่าส่งจิตออกนอกคือมันส่งออกไปนอกตัวเราแต่แท้จริงเนี่ยขณะที่เราทําอะไรใจเราไม่อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำเช่นเรามายุ่งกับอาการของใจตัวเราทําอะไรอยู่แต่เราคอยมายุ่งกับอาการของใจคอยมาติดตองเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องนิพพานวุ Del ่นวุ Del ่นวายแต่จิตจิตจิตจิตจิตจิตดีจิตไม่ดีอย่างนั้นคือส่งจิตออกนอกนอกจากสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่ที่กําลังพูดกันเช่น กำลังฟังธรรมเราอยู่แต่ไม่ตั้งใจฟังธรรมเราแล้ววุ่นวายแต่เรื่องอาการของใจอยู่แนี่ยปรับปรับแต่งแต่งแต่งแต่ ง, ตงปรับปรับอยู่ในใจอย่างเนี้ยส่งจิตออกนอกจากปัจจุบนันต้องรู้เท่าทานขึ้นมาถ้าใครเห็นว่าขณะจิตส่งออกนอกจากปัจจุบนันเข้าไปเนี่ยภายในตัวเราเข้าไปภายในใจเราหรือส่งออกนอกจากปัจจุบันที่ส่งไปข้างนอกตัวเราเนี่ยใครเห็นสามารถเห็นได้อันเนี้ย ในขณะจิตมันส่งออกนอกแล้วรู้ท่าทางมันก็เลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่กาลังทำอะไรอยู่เนี่เขาเรียกว่าเห็นจิตส่งออกมันก็จะเป็นนิโรธได้เรื่อยไปและพอเห็นมันบ่อยๆมันก็จะเป็นมรรคผลที่ผ่านไปได้กรณีที่จะฝึกเห็นจิตส่งออกนอกเนี่ยถ้าใครเห็นตามเราได้แบบเนี้ย สามารถรู้ต่อทันขณะจิตส่งออกนอกได้ในทุกขณะปัจจุบันหลงทรงจิตออกนอกรู้ต่อทันหลงสรงจิตออกนอกรู้ต่อทันฝึกแค่นี้เลยไม่ต้องมีตัวช่วยอะไรแล้วไม่ต้องไปฝึกอย่างที่เราพูดอันแรกเลยก็ได้เรื่องธาตรู้เรื่องสุญญาตาธาตุที่ไม่มีตัวตนไม่มีอาการใดๆเพราะฟังอันอันแรกไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็มาฟังอันที่สองเนี่ยคือส่งจิตออกนอกและเห็นตัวจิตออนอก โดยไม่ต้องมีตัวล่ออะไรเลยฟังตรงนี้อีกไม่เข้าใจคือเหตุที่ไม่เข้าใจอะไรเพราะไม่เห็นขนาดจิตส่งออกนอกจึงฝึกตัวนี้ไม่ได้ฝึกอันแรกก็ไม่ได้เพราะไม่ไม่เข้าใจเรื่องพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจพูดมาตั้งนานเรื่องธาตรู้เรื่องเรื่อนิพานธาตุสุญญตาธาตุหรือจิตดั่งเดือบตาแฉฟังมานานเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ ก็ฝึกอย่างแรกไม่ได้เพราะไม่ฝึกแรกไม่ได้เราก็ถอยมาให้เผื่อว่าผู้ใดก็ตามมาฟังเราในปัจจุบันหรือฟัง youtube ข้างหน้าสามารถเห็นกิริยาการจิตขณะส่งจิตออกนอกคือตัวอยู่ไหนใจไม่อยู่นั่นกายทําอะไรใจไม่อยู่สิ่งนั้นมาส่งออกนอกไปไหนอ่ะแม้แต่ส่งออกไปนอกตัวเราหรือว่าส่งงยุ่งกับอาการของใจวุ่นวายกับปรับปรั บ, บแต่งแต่งแก้ไขาอาการของใจมันก็ส่งออกนอก จากสิ่งที่เรากำทำในปัจจุบันแล้วก็รู้เท่าทันขณนะจิตที่มันส่งออกนอกมันก็จะเป็นมัคผลแห่งรู้เท่าทานันมันจะเป็นนิโรธมันก็ตรงเป็นอริยสัจสี่ซึ่งหัวใจคําสอนของพุทธเจ้าก็คืออยู่ตรงอริยสัจสีนี่แหละจิตส่งออกนอกเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตขณะส่งออกนอกเป็นมัคเนี่ผลแห่งจิตเห็นจิตขณะส่งออกนอกเป็นนิโรธคือความปลดจากทุกข์ พอพูดอย่างนี้อยังไม่เข้าใจเพราะอะไรทําไม่ได้ก็เพราะอะไรไม่เห็นจิตขณะส่งออกนอก anyway. เราก็ถอยมาให้อีกสองแล้วนะไม่รู้เรื่องตอนนี้เพราะอะไรไม่เห็นจิตส่งออกนอกเราก็พูดอันที่สามถ้าอย่างนั้นนะก็พุทโธไว้พุโพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้เพื่ออะไรถ้าพุทโธหาย มันจะได้รู้ว่าส่งจิตออกนอกอ้าวเราก็แก้ให้เรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไว้พอเมื่อไหร่พุทโธหายมันจะได้รู้ว่าส่งจิตออกนอกอ้าวมันก็จะเพื่ออะไรมันง่ายขึ้นเราก็ต่อบบันไดให้ว่าบันไดมันสูงกเกินไปไม่ได้เราก็ถอยมาให้พุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็พุทโธหายไปส่งจิตออกนอก พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหายไปตรงจิตออกนอกมันก็ง่ายขึ้นไงเพราะว่าเดี๋ยวพุทโธหายมันก็รู้แล้วตรงจิตออกนอกเราก็รู้ตทันเอาพุทโธขึ้นมาใหม่พุทโธพุทโธพุทโธพอพุทโธหายเอาตรงจิตออกนอกเราก็รู้ต่อทันพุทโธขึ้นมาใหม่อาย่างงี้มันก็ง่ายพุทโธขึ้นมาใหม่เรื่อไปพอพุทโธหายแสดงว่าตรงจิตออกนอกแล้วไม่ต้องไปเราก็เห็นไดง่ายตัวเปรียบเทียบเอาพุทโธพุทโธไวพุทโธหายเอาตรงจิตออกนอกเราก็พุทโธไว้มันก็กลับมา เราก็ว่าอันนี้มันก็ง่ายดีแต่เอาเข้อจริงไม่ง่ายฮะไม่ง่ายเพราะอะไรอาจารย์มันพุทโธไม่เคยอยู่เลยพุทโธไม่เคยอยู่เลยอาจารย์มาเป็นสิบสิบปีแล้วพุทโธไม่เคยอยู่เลยพุทโธมันไม่อยู่จริงๆมันพุทโธไม่กี่ทีมันหายไปทั้งวัน ไม่ใช่ว่าหายแป๊บเดียวนะมันหายทั้งวันน่ะรักวามคงไม่เหมาะมาั้งแบบเนี้ยอีกกรณีหนึ่งพวกที่ฝึกกรณีเนี้ยคือให้พุโทโธพุธโทโธแล้วก็เพื่อให้ไอ้รู้เตทาทันจิตส่งออกนอกคือพอพุโทโธหายจิตส่งจิตอนอกเขาก็ไปเข้าใจผิดว่าพุโทโธพุธโทโธให้ทําพุโทโธเนี่ยเพื่อให้มันเนี่ยเอาพุโทโธเนี่ยไปฆ่าความคิดทุกความคิดในจิตนี่ คิดไม่นึกอะไรเลยอันเนี้ยกับผิดมหรร翰ไปอีกอก็พุทโธกระนำเลยไม่ให้คิดอะไรเลยและนิ่งเฉยเสื้อบื้อไปเลยเนี่ยญี่ปุ่นอาวาอ่านว่ะโง่ดักดาแล้วจะโง่ดักดาลกี่ชาติแล้วเนี่ย ไ, ไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้เขาให้พุโทโธพุโทโธเพื่อรู้่า มันส่งจิตออกนอกคือพุทโธหายมันส่งจิตออกนอกไปแล้วก็พุทโธขึ้นมาได้ได้เห็นจิตส่งจิตออกนอกอันนี้เอาพุทโธไปฆ่าทั้งหมดเลยเอานิ่งอย่างเดียวนี่ก็ผิดซะอีกเราว่าจะง่ายก็ผิดอีกเอาเราเห็นว่าเราทําอย่างนี้ทําไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจเอาอย่างนี้เอาใหม่ไม่ต้องรู้อะไรเลยมันส่งออกนอกไม่ส่งออกนอกพุทโธมันตับพุตตัผือเอาพุทโธก็ไปนะ พุทโธพุทโธพหรืูห้หรใจก็ออกหายใจข้าวออกพูดหายใจออกโทไม่ต้องไปสนใจส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตออกนอกคอยมันพุทโธตะพุทธโธเพื่ออะไรล่ะเราหวังว่ามันทําวิปัสสนาไม่ได้ไมันจึงจะได้สมถะติดไปบ้างมันไม่ไปนิพพานได้กอนจะไปสวรรค์ได้อย่างดีถ้าบรรพุทโธไว้เพราะเราเคยเห็นเนี่ยพ่อของนวัตเนี่ยเพราะอดีตพ่อตาอพ่อตาเราเนี่ยพุทโธก็ ตายขาพุโทโธก็ไปดีได้ไปสวรรค์ได้แลวหลายคนที่พุโทโธคาตายขาพุโทโธก็ไปสวรรค์ได้เพราะอะไรเราเลื่อนลงมาให้ว่าไปนิพพานไม่ได้ยังไงก็สวรรค์ก็ยังดีวะนี่เลื่อนให้สุดแล้วก็ยังไม่เอาอีกสวรรค์ก็ไม่เอาคือแหละทิ้งพุโทโธหมดเราก็ เอจะเอาอะไรกับมันดีวะถอยลงมาอีกเอาอย่างนี้ก็เผื่อใครมีวา ส, สนาเมื่ออย่างอื่นก็ไม่ได้ทศตรีไม่เขาะะ้าใจทศตรีบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเรานะบรรลุอลหรหันต์เพราะว่าพี่นายเห็นตัวเองตายเน่าเปื่อยปูพังแต่คนที่จะพี่นายเห็นตัวเองตายเน่าเปื่อยปูพังเนี่ยมันต้องมีวาสนาเก่ามาอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ย เคยพิจารณาถึงความตายมาแล้วห้าร้อยชาติชาติสุดท้ายเนี่ยพิจารณาเป็นชาติที่ห้าร้อยหนึ่งเลยรูลุอลหรหันต์เลยเราจะเคยมีแต่ชาติมาอย่างนั้นในเทวตทํามาเนี่นยตอนนี้เราก็เผื่อนะเผื่อว่าจะมีใครสักคนที่มาฟัง YouTube เราฟังเสียงเราแล้วเขามีวาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีวาสนาคือ เมื่อไหร่เนี่ยที่เรานึกถึงความตายของตัวเราเองเมื่อไหร่เนี่ยความฟุ้งซ่านมันหายไปเลยความโลภอะไรมากๆมันหายไปเลยจากใจเราเออคนนั้นนะมันมีวาสนาเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องความตายเนี่ยการพิจารณาความตายเนี่ยให้ทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแต่พอน้อมถึงความตายว่าตัวเราจะตายแล้วเมื่อไหร่เนี่ย ไอ้ความโลภโมโทสารที่มีมากอยู่ในหัวใจเนี่ยหรือใจที่ฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันหดตัวเข้ามาเลยเหลือแต่ความสงบแล้วพิจารณานาได้มันจริงๆคือรู้สึกว่ายิ่งพิจารณายิ่งมันในใจยิ่งใจยิ่งไม่ไม่ฟุ้งซ่านยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งใจมันว่างเข้าไปว่างเข้าไปยิ่งพิจารณาใจมันกายเบาใจเบากายเบาใจเบาจนเหมือนไม่มีน้ําหนัก มันยิ่งพิจารณายิ่งโอ้ชัดเจนยิ่งกายเบาใจเบากายเบากายเบามันว่างมันก็ว่างแต่หัวเนี่ยทะลุพอน้อยไปเลยวาว่าวาว า, วายิ่งพิจารณายิ่งว่างยิ่งพิจารณายิ่งว่างตั้งแต่หัวจนเท้าไปเลยคนนั้นเนี่ยมีอุปสรรควาสนาเก่ามีอุปสรรควาสนาเก่าเกี่ยวเรื่องการพิจารณากายมาก่อนคนเหล่าเนี้ยไม่ใช่มีน้อยมีมาก ที่ในชาติก่อนๆเคยทำมาแล้วเคยพิ่าา ม, มาแล้วใจฟุ้งซ่านขนาดไหนพอนึกว่าเราจะตายแล้วน้อมถึงความตายใจที่ฟุ้งซ่านหดตัวมาเลยความโลภโมโตสานที่เคยมีมากมายมันหายไปจากใจนั่นแน่ต้องเล่งพิจารณาความตายให้มากๆใจมันจะโปรงปล่อยวางปงปล่อยวางโปงปล่อยวาง พิจารณาซ้ซําๆํๆเลยแล้วก็กัดติดจดจ่อจดจ่อกัดติดกัดติดจดจ่อแต่เรื่องเนี่ยความตายความตายเน่าเปื่อยบูฟังแง่มุมต่างๆเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าสังขารร่างกายเนี่ยของตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอมันยึ้มพิจารณาไว้มันว่างโอ้โหกายเบาใจเบาว่างแต่หวัวจุดเท้า ว, วาบวบาบวาบใจมันรู้สึกเลยอะ่ะเหมือนกับว่าว่าบวาบ่วายึ้มพิจารณาเข้าไปถึงใจมัน มันแว แ, วแวบแวบแวบแวบแวบเลยเอ๊ยโอ้มันเป็นอย่างนี้ว่ะมันโปรงอะปร่งใบวางปร่งใบวางปร่งใบวางปร่งใบวางนี่ตอนนี้กัดติดจอดจอเลยทั้งวันทั้งคืนหลวงปู่อุบาลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราใช้เวลาสี่วันสี่คืนกัดติดจอดจอท่านบอกว่าถ้ามีปัญญาน้อยสี่วันสี่คืนท่านบอกถ้ามีปัญญาน้อยสี่วันสี่คืน ถ้าใครมีวัสนาอย่างเนี้ยกับติดจดจ่อไปเลยแต่ข้อผิดพลาดตรงนี้คืออะไรที่เราเห็นพอสอนไปอย่างนี้แล้วที่เราไปแก้ให้ก็มีที่วิปรารถ์คือเดี๋ยวก็มาตามมาแล้ ว, ลวอาจารย์ไปด่วนเลยด่วนเลยด่วนด่ว น, วนมีอาการที่ผิดมีมีท่านหนึ่งมีอาการผิดปกติวิปรารถ์ไปแล้วเราก็รีบไปดูนเป็นอะไร ปรากฏว่าหยิบอะไรไม่รู้หยิบจับแล้วก็พูดเพอ้อไปบอกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วลูกหัวก็จะตายหมดแล้วคนนู้ดก็จะตายคนนี้ก็จะตายเราจะอยู่กับใครเนี่ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องรีบหนีเข้าป่าร้องให้หยิบนูดวางนี่หยิบนี่วางนั่นไม่รู้เรื่องเลยไม่มีสติเลยเราก็าไปยืนยใกล้ๆไปเรียกชื่อท่านไม่รู้เรื่องเรียบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่อง เอจะทํำยังไงเนี่ยพูดตอนไห่ก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเอาแต่ร้องไห้เพิ่มวิปรารถไปแล้วหยิบของทุกคนในโลกนี้ตายหมดหัวก็ต้องตายลูกก็ต้องตายเราอยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีต้องรีบหนีออกทุกคนไปรีบไปเข้าป่าอู๋เราเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ได้ยินเราเอจะมีแก้ได้วิธีไหนฮะเราก็พิจารณาก็กูณอย่างเงี้ยลงแก่ใจปุ๊บเอาเลยเราเรีบโทรศัพท์เลย เียออโทรศัพท์คุณมาพูดแต่เรนไม่ได้กดแล้วโทรศัพท์ไมไ่ไปกดหาใครแล้วพูดเองเออเองนี่นี่จะคนจะอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องเข้าป่าเขาอยากจะเข้าป่าแล้วรับไม่รับไหมผมว่าทุกคนในโลกนี้จะตายหมดแล้วเขาอยู่คนเดียวในโลกนี้อยู่ไม่ได้แล้วจะเข้าป่าแล้วจะรับคนคนนี้ไหมโอรับหรอรับหรอเอามารอนะเอารอมานะเอารถมารอตรงนี้เลยไปไปไปเดี๋ยวนี่เลย ตอนนี้พอเราพูดเสียงดังๆเข้าไปพูดที่ใกล้หูเราไปกับไปพอเขาจะหยิบอะไรปุ๊บเราแย่งไปหยิบก่อนจะหยิบอะไรเราแย่งหยิบก่อนเลยใส่กระใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงห<ม>ยิบไม่ทันเราสักอัานหนึ่งแล้วเราก็พูดไปด้วยแล้วเราไปไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปเร็วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถมาแล้วรถมาแล้วมารอใช่ไหมมารอใช่ไหมไไปไปมารอแล้วเราก็เล่งขาดคันเลยเราทําเป็นไม่มองเล่งขาดคันอย่างเดียวจะหยิบอะไรหยิบไม่ทันเราเสียงพูดข้างหลังเราบอกว่าอาจารย์ จะไปจริงๆเหรอไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดเราไปเดี๋ยวนี้เราเล่ยคาดคันอาจารย์ไม่ต้องกลับไปลาครอบครัวก่อนเหรอไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลาใครจะเ ข, เข้าป่าเดี๋ยวนี้ยพอเราค า, าดคันดูอ้อมากๆเขาล้อง่ายอาจารย์ล้อง่ห้อย่าเล็วล้อไม่ไปแล้วสติคืนตัวมาเลยสติแตกเลยเนี่ยคือเราบอกให้ที่น่าตัวเราตายหน้าเป่วยบุพัง ไปพิจารณาคนอื่นตายหมดตัวเองอยู่ในโลกร้องหมร้องไห้สติแตกเลยเพราะอะไรไม่กล้าให้พิจารณาให้ตัวเองตายพิจารณาคนอื่นตายดีกว่าพิจารณาตัวเองตายแล้วมันกลัวอีกพวกหนึ่งก็เหมือนไงพอพิจารณาปุ๊บหลายคนเนี่ยพอพิจารณาปุ๊บหดหูเลยบีบความรู้สึกเศร้าหมอง คนลงมือพี่นาก็บีบความรู้สึกเศร้าหมองขดหูไปเอ้าทําไมกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยยิ่งพี่นากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยคือยังไม่เจอถึงความจริงเลยเขาพี่นายเห็นความจริงบนสังขารไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่อะ่ะเอาความรู้สึกสลดสังเวชขดหู่เศร้าหมองนั่งซึมเศร้าไปเลยเฮ้ยนี่มันวิปลาดนี่มันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันไปติดอยู่ในอารมณ์เศร้าหมองเลย เขาไม่ได้ถึงความจริงอันนี้ก็เอาแต่ความจริงว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแล้วมันก็เลยว่างว่าว่าว่าว่าไปไปสิ้นความหลงจิตบ้านถือบ้านได้หมดเลยเดี๋ยวไหนถ้าใครเนี่ยพินานตรงนี้เห็นชัดแล้วไม่เข้าไปหลงติดอยู่ในอารมณ์แล้วเล่งตรงนี้เลยยิ่งพิจารณายิ่งปรงไปวันยิ่งพิจารณายิ่งโปรงใว้วันใจมันว่างว่าว่าว่าว่าไปแล้วป่ะโอ้โหตรงนี้ไม่นานเลยสักกัดติดจอดๆตรงเนี้ไม่นานบรรลุอรหันต์ไปหลายท่านแล้วครูบาอาจารย์ แม่คูบาจบรารย์บรรลุอรหันต์ตรงนี้ไปหลายท่านก็เข้าตรงนี้เลยไอ้ตรงนี้เป็นเป็นหลักเลยเป็นหลักที่ทำกันเยอะตรงเนี้ยเขาบรรลุอรหันต์กันเยอะตายแล้วก็กลายกระดูกใสเป็นพระธาตุเป็นแก้วกันไปแถวเป็นแถวเป็นแถ ว, แถวก็ตรงนี้เลยนี่น่ทําไมเราสอนหลายอย่างเราก็เผื่อว่าอย่างนั้นไม่ได้ก็เปิด อ, อย่างนี้จะได้ อย่างนี้ไม so like ่ได้ก็เผื่ออย่างนั้นจะได้อย่างไนสักอย่างหนึ่งเอาให้มันได้สักอย่างเดียวเหอะขอให้มันจริงอย่างไรสักอย่างนึงก็ให้มันจริงสักอย่างนึงอะเรากลัวอยู่อย่างเดียวกลัวไม่จริงสักอย่างหนึ่งไอ้นี่แราเมันน่ากลัวอะไรก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นู้นก็ลองหน่อยหนึ่งไอ้นี่ก็ลองหน่อยหนึ่งไอ้นี่ก็ลองหน่อยโอยทำเป็นชิมอาหารไปได้ ไม่ได้เรื่องได้ลาวเลยชิมนู่นหน่อยชิมนี่หน่อยชิมนั่นหน่อยชิมนี่หน่อ ย, อ ย, อยแต่พอมาฟังเขาเห็นคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นคนนั้นเขาชัดก็ชัดแล้วก็เอาแล้วของขึ้นอีกและไอ้ตัวเองวิวแต่ชิมไม่กินสัทีพอคนอื่นเขากินเอากินเอากินเอาเข า, เามาถามชัดๆไอ้ตัวเองของขึ้นอีกเนี่ยมันมเป็นเข้าใจไหมทําไมาถึงสอนหลากหลายแบบเนี้ยอ๋อมีอะไรสงสัยอยไหม ไม่มีหาะแต่ว่าต้องไปหาใกลต้องไปหาให้เจอว่าเพระอุ้มลองทําทุกแบบเลยต้องกับอุ้มเนหาไม้เจอว่าหนาดอันไหนมันก็มันก็ได้หมดได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันเลยอ๋อนั่นหรูปเหมือนเป็ดมันรูปเหมือนเป็ดมันสนใจไหมเหมือนเป็ดอ่ะอ๋อมันจริงสังเกตตัวเอง สังเกตตัวเองแล้วเอามันจริงอันไหนก็ได้ที่ทำให้เราปล่อยวางความหลงยึดบานถึงบ้านได้อันนั้นแหละถูกต้องสำหรับเราแล้วเดี๋ยวแต่ความจริงแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นพุทธโธครับเพราะทำแล้วรู้สึกว่าพอจะเข้าใจแล้วก็ ทำทำได้แล้วก็รู้สึกว่ามันโลง่งโล่งใจมันมันรู้สึกเพราะว่ามัานเหมือนกับมีความว่างเข้ามาประมาณนั้นนะครับหลวงตาแน่เราชัดเจนเนี่ยอันไหนเราทำแล้วมันมันดีเราก็เอาอันนั้นแน่นนะครับ ที่เหลือเนี่ยเพียนนะอเหลือเพียนเอาแต่ก็บรรจะลองดูดูเพี่นากายแต่ก็ยังไม่ไม่ไปถึงไหนครับลองลองดูได้ได้เราลองได้เราดูได้ไม่แน่เราอาจจะถูกกับเราได้เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหลานส่วนใหญพี่นาเห็นกายหน้าเปื่อยผูพังสลายไปก็บรรลุอาลานไปในเวลารวดเร็ว หลายท่านแม้แต่การพิจารณาจิตที่บอกว่าเข้าถึงธาตุรู้เนี่ยเขาถึงสุญญาตาธาตุวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุรู้ไม่มีตัวตนเราก็จะเห็นว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยการเข้าถึงธาตุรู้ก็คือปล่อยวางร่าง ก, กายเหมือนกันค<ช>รับมันก็ต้องปล่อยวางร่าง ก, กายด้วยแล้วปล่อยวางไอ้จิตใจด้วยที่เป็นจิตใจที่เป็นปรุงแต่งด้วยก็คือที่สุดแล้วคือต้องปล่อยวางร่าง ก, กายด้วยแล้วปล่อยวางจิตใจด้วยจึงจะ ถ, ถึงธาตุรู้ได้ เข้าใจเนาะพ อ, อพอเข้าใจขึ้นมาะระดับหนึ่งครับออดีแล้วมีอะไรงสงสัยไหมสงสัยไสาธุสาธุขอให้พ้นทุกพ้นทุกให้รู้ธรมเรียนธรมพ้นทุก พ, กพก้นทุกไปเดินทางได้ปลอดภัยนะคุคุ้มคอ ง, อ ง, อ ง, องสำคัญสคัญก็คือความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสายนะ อ, อ, อย่าทิ้งความเพียรมันชัดเจนอันไหนเอานั่นแหละนะ หลวงตาคะเขาโอกาสค่ะมีมีคําถามอีกนิดนึงค่ะอย่างเวลาที่หลวงตาอธิบายไปนะคะแล้วก็เหมือนกับคิดตามอะค่ะแต่มันไม่เหมือนกับมันไม่ไม่ไม่ทันทันทีมันเหมือนกับย้อนไปนิดนึงเนี่ยมันคือส่งออกไหมคะหลวงตาเอ็ตอนนี้อย่างพวกเราเนี่ยมันไม่เป็นปัจจุบันอืมมันไปพูดอยู่คนเดียวในใจไปคิดคนเดียวในใจมันส่งออก คือการโต้อตอบกันในปัจจุบันนี้เลยสงสัยก็โต้อตอบกันไปว่าใช่ไม่ใช่ก็โต้อตอบไปพร้อมจะโต้อตอบอย่างนี้มันก็เป็นปัจจุบนันธรรมไปเรื่อยไปแต่นี้ของเราไม่เป็นปัจจุบนันมันพอมันเป็นเหมือนกอเทปฟังเอาเป็นการแบบว่าไปกอเทปฟังแห้งเอาในใจมันพยายามจําจดจำเอาไว้แล้วมันพยายามไปคิดทบทวนอยู่ข้างในใจเวลาเขาพูดมันไม่เป็นปัจจุบนันมันเก็บตามหลัง อันนี้เห็นอยู่่ข้างตาก็ก็เลยก็เลยสงสัยว่าอ๋อนี่มันน่าจะเป็นส่งออกแล้วเพราะมันไม่ทันมันไม่ทันมันไม่เป็นปัจจุบันไม่ทันปัจจุบันอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเท่ากับพอดีตั้งกับ youtube เนี่ยฟังฟังแห้งเออเราไปฟังแห้งทําไมก็อยู่ต่อหน้ากับฟังสดเนี่ยมันไปทบทวนอยู่ข้างในนเนี่ะอย่างยิ่งฟังแห้งมันก็มันไม่เข้าใจหรอทำมันก็ไม่เป็นปัจจุบันมันก็ทำมากก็เลยไม่กดเป็นปัจจุบัน มันก็ไจ้ส่งออกนอกย้อนไปอยู่เรื่อยคือมันมันสโลมันไม่ทันการเครื่องเรามันแค่เขาไปไอเครื่องไปข้างหน้าแต่เราย้อนข้างหลังเราย้อนอดีตใช่มันเหมือนกับทบทวนอย่างนี้นะคะหลวงตาแต่มันก็เข้าใจอยู่แต่มันก็เหมือนเป็นนิสัยจะบอกไม่ทราบก็เป็นอะไรเป็นความเคยชินนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นบางครั้งนะคะหลวงตาบางครั้งมันก็ตามตามไปเป็นปัจจุบันตลอดแต่แต่คืนเนี้ยค่ะก็รู้ตัวอยู่ว่า ตัวเองกลับไปนิดหนึ่งนิดนึ ง, นนงเหมือนอย่างที่หลวงตาว่าคือกรอกกรอกกลับไปนิดหนึง่งนิดนึงตลอดเป็นระยะระยะอค่ะก็ก็ไม่ถึงกับตลอดแต่ว่าเป็นระยะระยะระยะที่ที่เราแบบย้อนกลับไปทบทวนนิดนึงอะไรนี่ค่ะถ้าถ้าใครฟังแบบนี้มันจะไม่มีโอกาสเป็นธรรมในปัจจุบันเลยมันจะเก็บเอารายละเอียดไปแล้วเดี๋ยวเอาไปเรื่องขอไปเที่ยวเอื้องก่อน คือเหมือนกับพวกไอ่ขอโทษไม่ได้ว่าคือว่าไอ้พวกวัวควายอ่ะปกติสัตว์อะไรทัานมันก็กินแล้วมันก็ืนไปเลยแต่ว่าพวกวัวควายมันกินหญ้าเนี่ยมันจะไปเก็บไปเคี้ยวเอื้องที่หลังมันจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไม่เป็นปัจจุบันที่กินแล้วก็อิ่มไปเลยเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยอาจารชูเป็นเนี่ยอาจารชูนั่งอยู่เนี่ยเป็นจริงจริเมื่อก่อนเนี้ยแล้วมันตามไม่ทันตามไม่ทัน่ะมันก็เลยไม่เป็นปัจจุบันมันก็เลย อ้าวพอไปคิดตบทัวอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ้าวแต่จริงๆก็พูดอะไรไปแล้วแต่ตัวเองเข้าใจที่หลังมันก็เลยเข้าใจไม่เข้าใจที่จริงไม่เข้าใจ <S <S คือเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เลื่อยๆเพราะไอ้ที่เข้าใจคือไปคิดเอาข้างในแต่มันไม่พร้อมจะโตอตอบกันในปัจจุบันมันไปคิดเอาพอคิดเอาปุ๊บเออคิดว่าเข้าใจแล้วมันไม่ได้เป็นการเข้าใจจริงๆในปัจจุบันที่โต้ตอบกันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มากอาจารย์หรืออย่างงี้หรือเปล่า เออเราก็จะโต้อตอบไปโต้อตอบมาอย่างเนี้ยมันเป็นจริงๆเลยเข้าใจไม่เข้าใจก็จริงๆเลยเ อ, อ๊ะอย่างนี้หรือเปล่านะหนูเข้าใจอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างเนี้ยมันถูกไหมอาจารย์มันก็โต้อตอบกันไปเลยมันก็อย่างเนี้ยเป็นความจริงไอ้ที่เราไปกอเทดกลับไปคิดพิจารณาอยู่ในใจไปคิดเอาอย่างเงี้ยจะเก็บรายละเอียดไปให้มากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนแต่ขอคิดอยู่ตั้งคิดตบทวนอยู่ในใจตามหลังไปเรื่อยๆ อันเนี้ยมันเป็นการคิดว่าเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็คิดว่าอย่างเงี้ยที่ตังคิดเนี่ยคือคิดว่าเข้าใจแล้วแต่พอพูดออกมาไม่ตรงพูดทีไรไม่ตรงสักทีเอ๊ะทําไมมันไม่ตรงเขาสัทีอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าผิดผิ ด, ผ, ดผิดอีกแล้วเดีพูดว่าผิดผิดผิดเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงก็เพราะว่าเนี่ยมันคิดมันเล่นกอเทสไปกอเทศ ฟ, ฟังอยู่ข้างหลังฟังอยู่ในใจมันไม่ได้เป็นปัจจุบันธรรม อันนี้ก็เห็นความแตกต่างนะคะหลวงตากับเมื่อตอนเย็นที่นั่งฟังหลวงตาะค่ะกับฟังตอนกลางคืนเนี่ยค่ะเหน็นเห็นความแตกต่างของตัวเองว่าเมื่อตอนเย็นเนี้ฟังเป็นปัจจุบันมากกว่าในขณะที่กลางคืนเนี้มันกรอเทปจริงๆย้อนไปนิดนึงนิดนึงนิดนึ ง, นนงอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่มันก็เห็นก็เลยก็เลยก็เลยสิงถามหลวงตาว่าไอ้ น, นี่มันมันส่งออก ก็ก็สังเกตตัวเองอยู่ค่ะหลวงตามันส่งออกคือมันไม่เป็นปัจจุบันที่กําลังฟังกันนะแต่มันส่งไปคิดจะอยู่ข้างในใจอันนี้ก็เรียกส่งออกนอกเป็นหลายคนไม่ใช่เป็นเราอย่างคนเดียวเราแต่คนอื่นก็ไม่พูดแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวอันที่มันฟังไม่ทันในปัจจุบันเนี่แหละเพราะว่ามันโมไปคิดอยู่งในใจที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นกันหลายคนเป็นแบบนี้เลยฟังไม่เข้าใจสักที เข้าใจนะคะหลวงตานี่มันเข้าใจ <c oughs> แต่บครั ม, มันเข้าใจไม่มันไม่ไม่ชัดเจนมันเข้าใจแต่มันเข้าใจไม่ชัดเจนเพราะมันไม่เป็นปัจจุบันธรรมอันนีเ้เข้าใจแล้วค่ะหลวงตาแล้วก็เห็นความแตกต่างด้ค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นหมดเนี่ยหลายคนเป็นอยู่มันคือนึกว่าเราไม่ส่งจิตออกนอก แต่ไม่ใช่นั่งฟังอยู่แต่มันไม่ได้เป็นฟังแบบโต้อตอบกันที่เป็นภาวะจิตตื่นเนี่ยคุยกันพร้อมจะโต้อตอบแต่มันไปคิดเอาข้างในใจมันไปกอเทปฟังเอาเกืบเหมือนกอเทปฟังเอาจะไม่ได้ฟังสดกับเขาไม่ได้โต้อตอบกับเขาแต่ไปกอเทปคิดเอาข้างในใจเขาไปตั้งเยอะแล้วตัวเองกับเพทุทท่จะฟังย้อนหลังมาเลยเวลาพ อ, พอปฏิบัติก็พูดที่ไหนไม่ทันจนเขาจบไปแล้วเทปมันก็เลยอ่านไม่ทันไงเพราะตัวเองมันกอเทปไล่หลังเขา พอเขพูดจบไปแล้วมันเลยไม่เป็นปัจจุบันพอจบไปแล้วมันก็เลยหายไปเยอะคือตัวเองอัดเทปไปแต่ละครั้งอัดอัดเทปอยู่ในใจอ่ะมุตะไปคิดทบทวนอยู่ในใจก็พูดจบไปแล้วมันก็เลยหายไปเยอะขาดขาดไปเยอะเลยอะัดไปเยอะแล้วไปคิดทบทวนมันก็เลยขาดไปเยอะมากเลยพอถึงเวลามาพูดพูดไม่เหมือนที่กำลังพูดกันเราสังเกตได้อย่างกรณีที่ อุ้ยกำลังพูดโต้อตอบกันคนนี้ตรงนี้โต้อตอบกันคนนี้เอ้าไม่เอาไม้มาเอาคนนี้เอาไม้ส่งไม้ไปพูดเอ้าไอ้อที่จะถามเนี่ยจะตรงมาตรงนี้ไหมตรงกับที่กําลังพูดมันจะได้ตอบทีเดียวบอกว่าใช่ใช่ยกมือพอพูดขึ้นมาเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่กําลังโต้อตอบกันเนี่ยดี๋ยวนี้คือมันกอ่อเทปอยู่ในใจว่าเพราะอะไรมันไม่ได้ฟังมันตืนเต้นพร้อมกันเข้าไป อือใช่ใช่มันใช่มันจะ่โอ้เราก็เป็นอย่างงี้โอ้ยังงี้อย่างงี้อย่างงี้คือมันไม่ร่วมไงไม่มีส่วนร่วมไม่มีอารมณ์ร่วมกับเขาไม่มีส่วนร่วมกับเขาแต่เป็นไปนั่งกอเทพอยู่ในใจนั่งฟังเทพตัวเองอยู่ในใจแล้วเนี่มันไม่มีลมร่วมพอเัวเองผ่านขึ้นมามันจะถามในที่ตัวเองเป็นเไยที่ตัวเองคิดอยู่ในใจมันจะจี้เอาตรงที่ตัวเองคิดอยู่ในใจแล้วเนี่มันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยอ้าว มันก็เลยขาดไอ้ตรงที่ที่กําลังสนทนากันไปมันจำว่าเออเอ๊เมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหรอมันตอนที่เขากําลังโต้อตอบกันเนะนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทําต่อบวันเนี้ยมันตอบไปแล้วไม่ได้ฟังเหรอถึงมาม า, มาถามย้อนหลังอย่างเงี้ยไม่ได้ฟังคนะรับพ่อโมแต่จะคิดว่าจะถามไหมจะถามวันเนี้ยเดี๋ยวคิดว่าจะถามวันเนี้ยคิดว่าจะถามวันเนี้ยแต่ไอ้ที่เขาคุยกันเนะี่ยไม่ได้ฟัง เนี่ยแล้วหลายคนเป็นนิสัยอย่างเงี้ยคือมันจะเอาแต่ของตัวเองไว้ก่อนละแต่เวลาฟังมันไม่ฟังไม่ฟังมันก็เลยบอกว่าตามไม่ทันเขาตรงเนี้ยต้องแก้ต้องแก้ให้เป็นปัจจุบันอาจารย์ไหมหลวงตามันก็เป็นช่วงๆนะคะหลวงตามันเหมือนกับว่าปัจจุบันมั่งเกล่าเทปมั่งแบบนี้ยหลวงตามันไม่ได้เป็นปัจจุบันตลอดนะคะที่เท่าที่แบบว่าเ สังเกตเห็นตัวเองอะค่ะต่างตามันมันเห็นชัดก็เลยก็เลยถามต่างตาขึ้นมานะคะ่ะเป็นเป็นกับหลายคนอันนี้เป็นเป็นกับหลายคนมันไม่มันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทันปัจจุบันโต้ตอบมันอาจจะเป็นระบบของความคิดแน่นอนะแต่นี้นอาจารย์ชิติมาช ก, กัทันละทันเข้าใจฟังปิงปิงปิงปิ ง, ปงอะไรกันทันยังไงไม่ทราบเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นอย่างเงี้ยก่อเทพกับ ต้องจําไว้ให้มากละให้รายละเอียดเยอะเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นปัจจุบันมันเหมือนกับว่าฟังฟังเขาแล้วก็มามาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเอ๊ยเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอยนน่างเงี้ยค่ะคุณตาแต่แล้วตอนนี้มันหายเลยไงพอฟังเขาปุ๊บมัเปรียบเทียบกับเราเออเราก็เป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้อย่างนี้ป่ะคือฟังปุ๊บแล้วก็มาเป็นของเราแล้วก็ขาดอยู่เลยนะขาดตอนนั้นนะมาขาดอยู่ตรงในใจเราเนะนะี่ยแหละไอ้ที่เขาพูดต่อไม่ฟังและผมอันไหนไปโดนใจเนี่ย ปัญญามันไม่โต้ตอบตามต่อไงมันไปหยุดตรงในตรงที่เออตรงนี้แล้วมันก็ไปอยู่ตรงนี้แหละแต่ปัญญาที่มันกาลังโตต่อของเขาเนี่ยฝังโอ้ใช่อูใช่อู้งี้ใช่อู้งี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันไม่มีส่วนร่วมอะไม่มีส่วนร่วมในการสุศนาแต่พอไปโดนใจอะไรตรวไหนเข้าอ่ะหรือตัวเองเผลอไปคิดอะไรเข้าเนี่ยแล้วมันวนอยู่ตรงนั้นแ่ละมันไม่ออกมาเลยมันวนอยู่ตรงที่ตัวเองเป็นไม่ออกมาไง มันก็เลยฟังทำเนี่ยไม่เคยจะรู้เรื่อ ง, งค่ะก็ก็พยายามสังเกตตัวเองอยู่ค่ะต่างๆมันก็มีทั้งอย่างที่หลวงตาว่าคือฟังแล้วก็โต<ะ>้ตอบกับเขาด้วยแล้วก็เข้าไปย้อนดูของตัวเองว่าเออเราก็เป็นอย่างนี้ฮะติดแบบนี้เราเคยทําแบบนี้มาเหมือนกันมันก็อาจจะชะงักไปไอตอนที่เราไปย้อนพูดกับตัวเองเนี่ยมันจะขาดตอนที่ก็กําลังพูดกันต่อไปไมันจะขาดไปเลย มันจะขาดไปตรงนั้นน่ะเป็นตอนบางทีเราขาดไปหลายคํามันก็เลยมันก็เลยขาดสาระสําคัญไปสาระสำคัญแค่แค่เหมือนกับที่เขาอัดเทปมาแล้วมันขาดไปช่วงๆช่วงช่วงๆฟั ง, ง, ง, ง, งไม่รู้เรื่องมันเลยขาดสาระสําคัญไปตรงเนี้ยขาดสาระสาคัญไปมากเข้าใจแล้วข้าราชกามันก็เลยช้าช้าถ้าหลายคนเป็นอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขอ ม, มาสมว่าหลัก กอเทพบ้างฟังพันบ้างกอเทพบ้างฟังพันนู่นแต่ที่สุดบรรลุทำได้ก็ใช้ได้แหละพ้นทุกได้ก็ใช้ได้ขอให้พ้นทุกได้แล้วกันว่ า, าคือ really, ให้มันชัดสักอย่างเดียวมันมีหลายวิธีวิธีใดที่มันชัดแกเราแล้วทําให้เราพ้นทุกได้ก็ใช้ได้แล้วมันจะกอเทพกลับบ้างฟังบ้างกอเทพกลับบ้างฟังบ้างที่สุดแล้วมันก็เออรู้เรื่องแล้วชัดไปได้พ้นทุกได้ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันว่า มนาศการหลวงตาเหลวงตาพูดว่าให้ตั้งคําอธิษฐานไว้ดูก็ตั้งคําอธิษฐานไว้นะคะบอกว่ายังไงก็ขอให้นิพพานในชาในตอนนี้เลยเอ อ, เ อ, อทําไมมันยังไม่ถึงสักทีล่ะไอปวดความรู้สึกที่ว่ามีพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นดาวิิชาอยู่มันไม่มีใครถึงหรอกค่ะเพราะว่าเราว่า มันคือจิตเดิม แ, แท้ๆที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเราคือจิตเดิม แ, แท้ๆที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีอะไรเลยไอ้ตัวผู้ที่คิดและผู้ที่รู้สึกว่าจะมีผู้ถึงเนี่ยมันเป็นตัวสังขารพรุงแต่งเราไปจับผิดตัวอยู่มันเลยไม่เป็นไอ้ตัวที่ไม่มีกิริยาการใดๆ ใ, ใ, ในใจเราเนี่ยมันหมายมีตัวผู้จะถึง มันเป็นการหมายที่ผิดเป็นอวิชาถึงสองต่ออะไรละหมายผิดสองต่อคือหมายว่ามีสิ่งที่จะไปถึงมีสภาวะที่จะไปถึงอยู่ข้างหน้าอันหนึง่งและหมายว่ามีตัวเราที่เป็นตัวสังขารปรุงแต่งเนี่ยเป็นความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยจะไปถึงที่หมายนี้เราหมายผิดถึงสองตัวถึงสองต่อคืออวิชาที่สองชั้น แต่จริงๆเนี่ยไอ้ตัวที่เราไปบ่ายไว้เนี่ยมันก็ไม่มีและไอ้ตัวเราที่เป็นตัวสังขารนี่จะไปถึงมันก็ไม่มีเพราะไอ้ตัวเรามันคือตัวไม่มีมันคือวิญญาณน่ะเป็นตัววิญญาณนาธาที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยมันจึงเป็นไม่มีตัวเราเนี่ยที่จะไปถึงไอ้ตัวที่อะไร มันเพียงแต่ว่ารู้แจ้งว่าตัวเราเนี่ยไม่มีไอ้ส่วนที่มีอาการที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรเนี่ยที่มันปรุงว่าเป็นตัวเราจะไปถึงอะไรอันนี้เป็นตัวสังขารคือตัวที่ปรากฏอาการที่ปรุงแต่งได้นี่หาใช่ตัวเราไหมไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นตัวปรุงแต่งแต่ตัวเราเนี่ยมันคือความไม่ปรุงแต่งมันเป็นวิญญาณตัดธาตุที่ไม่มีอาการ ใ, ใดๆเลยพอเราเข้าใจอย่างนี้ยไอ้ความหลงนะที่เป็นอวิชชาก็ดับลงไปมันก็เข้าถึงความไม่มี เะะนันอจ้จิตที่มีอาการทั้งหมดก็เลยไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเข้าถึงใจที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลไปหลมตาคะ่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าความเข้าใจเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขันหน้าก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเลยในในตัวเองอ่ะคะ่ะ คือในในในสิ่งที่เห็นนะฮะว่าในเรื่องของขันห้าเนี่ยคือเห็นได้ค่อนข้างจะชัดมากเลยในช่วงนี้ค่ะเห็นชัดยังไงเนี่ยอธิบายเราเห็นขันห้าชัดยังไงเรียกว่าเห็นชัดเป็นอย่างไรคือถ้าเกิดสมมุติว่าเ อ, อมองในรูเรื่องของรูปเนี่ยค่ะก็เห็นนะคะว่าเป็นธาตุทั้งสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือรูปไม่มีอะไร ก็เอเห็นสังขารที่ปรุงแต่งก็เห็นชัด น, นะคะว่ามันปรุงแต่งซึ่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ไปให้ค่าอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าพอรู้ว่าสังขารมันปรุงแต่งก็คือแค่ปรุงแต่งแล้วก็ดูต่อมันก็จะปรุงแต่งซ้อนแล้วซ้อนอีกอะไรแล้วก็ก็จะเห็นตรงตรงนี้อ่ะค่ะแล้วสัญญาบางทีก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะคะ ไอ้เจ้าการปรุงแต่งเนี่ยมันก็เกิดจากสัญญาด้วยมาจากสัญญาค่ะแล้วบางครั้งการที่มันตีความออกมาเป็นความพอใจไม่พอใจเนี่ยนะคะเออก็เห็นว่าอ้อบางครั้งมันมันมีการแอบพอใจบางครั้งะคะ่ะมันอาจจะเกิดกับความพอใจเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่ไปให้ค่ากับความพอใจอันนี้คือเราเห็นนะ่ะว่ามันเกิดความพอใจ หรือบางทีเราเห็นว่ามันเกิดความไม่พอใจแต่เราก็ไม่ไปนสนใจไม่ไปให้ค่ากับความพอใจหรือไม่พอใจอันนั้นแล้วเป็นไงแต่เห็นอย่างนี้แล้วแต่ทำไมตัวเรายังไม่บรรลุพระนิพพานเนี่ยอ๋ อ, อไม่คิดละ <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้ไม่ได้คิดตรงนี้คือเมื่อกี้ที่ถามหลวงตาเพราะว่าออถามว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าก็ได้อธิษฐานไว้แล้วนะคะก็น่าดีแ็ว่ามันมีตัวเราอยู่ในใจไงเอาอธิษฐานแล้วแต่าทาไมตัวเราจะไม่รู้ว่านิพพานอะไมีตัวเราจะไม่ตัวเราตัวเรามันยังไม่สิ้นความหลงนะไอ้ทำอธิษฐานนั่นนะเป็นตัวเร่งให้เราไม่ประมาทต้องเร่งทำความเพียรทุกขณะปัจจุบันเป็นตัวเร่ง มาแช่ทิฏฐานแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่รู้วิพีานเลยไม่ใช่เป็นตัวให้เราจะมีความเป็นอยู่นั้นไป็ประมาทให้ได้ทำความเพียรให้ถึงพร้อมซึ่งยความพ้นจากทุกข์เถิดที่เป็นคำพุทธเจ้าตรัสนั้แต่ไม่ใช่เร่งอะไรคือเร่งปล่อยวางความหลงยึดบ้านถือบ้านไม่ใช่เร่งไปทําให้ตัวเราเนี่ยเร่งให้ตัวเราเนี่ยยึดบ้านถือบ้านเร่งให้ตัวเราเนี่ไปถึงอะไร จะไปทาเหมือนว่าเร่งสปีดในการเดินให้เราไปถึงเี่หมายอันเนี้มันเป็นทางโลกแต่ทางธรรมเนี่ยมันคือเร่งก็คือว่าเร่งทําความเพียรให้สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นอันไหนที่ยังหลงอยู่ก็ได้เห็นเหเห็นระวางไปวางไปวางไปปล่อยไปปล่อยไปอันไหนยังหลงว่าเป็นตัวเราที่ไม่ใช่เป็นเป็นธากรู้ที่เป็นความไม่มีตัวตนก็ปล่อยวิปปล่อยวางไปปล่อยวางไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันปล่อยวางได้หมดสิ้นจนไม่เหลือว่า ไปยึดเอาอะไรเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราต่อไปตอนนี้สิ่งที่ลงตาว่าของเนี่ยลอตเตอร์เนี่ยไม่เห็นคือไม่เห็นว่าเนี่ยความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยไหนที่ไม่เห็นเนี่ย ไม่เห็นคือมันมีความรู้สึกว่ามีตัวเราแล้วเราไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นว่าความที่รู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งไอความรู้สึกตัวเราที่เราปรุงแต่งมันก็จะหมดความหมายต่อใจเพราะไอที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเราเห็นว่าเป็นตัวปรุงแต่งนั้นไอตัวที่ปรุงแต่งเป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันก็เลยหมดความหมายต่อใจเราเลยกลายเป็นผู้ที่ไม่ปรุงแต่ง อีกกรณีหนี่มันจะเหมือนอย่างนี้เราพยายามปล่อยวางอย่างอื่นทั้งหมดที่สุดเนี่ยมีพระผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเออหลวงตาชิดดูหน่อยซิว่าเราปล่อยวางหมดแล้วนะเนี่ยไม่มีอะไรที่เราไม่ปล่อยวางเลยหลวงพ่อปล่อยวางหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่หลวงพ่อไม่ปล่อยวางอีกแล้วเอ้ยลองลองดูซิ มีอะไรบ้างที่หลวงพ่อไม่ปล่อยวางเนี่ยหลวงพ่อว่าปล่อยวางหมดแล้วนะไม่มีอะไรอีกแล้วในใจปล่อยวางทุกอย่างหมดแล้วแล้วว่าเออหลวงพ่อมันเหลืออีกอย่างนะที่ไม่ปล่อยวางหลวงพ่อปล่อยวางอย่างอื่นหมดแล้วจริงๆแต่มตีอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ปล่อยอะไรอะหลวงพ่อยังไม่ปล่อยวางตัวหลวงพ่อเองผู้ปล่อยวางท่านตกตะลึง มเมิร์อมองออกไปไกลมากเลยแล้ำพึงว่าที่ปงเข้าตาตัวเองเขี่ยไม่ออกมองไม่เห็นคือเราปล่อยว่าปล่อยวางหมดทุกอย่างแหละแต่เรากลับไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเองคือปล่อยวางผู้ปล่อยวางตัวเราเองผู้ปล่อยวางเรายังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเราไม่เห็นตัวว่าตัวเราผู้ปล่อยวางมันเป็นตัวสังขาร ถ้าเราเห็นว่าไอ้ตัวเราผู้ปล่อยวางเนี่ยมันเป็นสังข paran, ารซะไอ้ตัวนี้เกิดสังขารไอ้ตัวผู้อยาปล่อยวางสังขารเราเลยเหนือสังขารขึ้นไปเพราะว่า <m> ไอ้ตัวเราผู้ปล่อยวางเนี่ยเป็นตัวสุดท้าย mm. ที่เราไปปล่อยวางอย่างอื่นหมดเหลือตัวเราผู้สุดท้ายที่ยังไม่ได้ปล่อยวางโอรเราปล่อยวางตัวเราซะมันเป็น <cruc> สังขารตัวสุดท้ายแล้วที่เลยไม่ได้ปล่อยวางเพราะเราสังขารได้ปล่อยวางอย่างอื่นหมดแล้วเลยจะไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเพราะเราปล่อยวางตัวเราซะมันก็เลยกลายเป็น เหนือตัวสังขารเกิดไปเป็นตัววิสังขารคือความไม่สังขารเข้าใจไหมเอ่อเข้าใจสิ่งที่หลวงตาได้บอกมานะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือเห็นคือสังขารนะคะทุกอย่างมันก็เป็นสังขารหมดเลยค่ะตอนนี้มีตัวที่เห็นตอนเนี้ยค่ะ ไม่ว่าการที่มันจะเ อ, อเห็นเห็นกิริยาอาการทุกอย่างของมันน ะ, ะคะเกิดจากตัวสังขารเกือบทั้งนั้นเลยอะคะ่ะเป็นส่วนมากอะ่ะสังขารทั้งหมดแหละเป็นส่วนมากแล้วมีแต่สังขารทั้งหมดเป็มีเป็นส่วนมากแล้วสังขารทั้งนั้นแหละสังารทั้งนั้นแหนหลวงพูธาว่าสังขารทั้งหมดสังขารทั้งนั้นแหละทิ้งให้หมดสังขารทั้งนั้นแหนมีแต่สังขารทั้งหมดทิ้งให้หมดริงใ แม้แต่ตัวผู้ทิ้งก็เป็นสังขารนับภาษาอะไรนะทิ้งอย่างอื่นหมดแล้วแม้แต่ตัวมันผู้ทิ้งยังเป็นสังขารเลยพิจารณาดูให้ดีนะค่อยๆพิจารณ า, นนานดูให้ดีตรงนี้เขียนมากตรงนี้ยอมรับมากตัวเราพยายามไปไปล่อยวันอย่างอื่นเพื่อให้ตัวเราไปเป็นอะไรอันนั้นไม่ถูกที่ถูกก็คือว่าต้องเห็นตัวเราเนี่ย ผู้ปล่อยวางแล้วอยากให้ตัวเราไปไ ป, ปรุปนิพพานเนี่ย Stanley. เราต้องเห็นว่าไอ้ตัวเราผู้ปล่อยวางแล้วอยากเราปล่อยวางแล้วที่สุดเลยเราเราที่ฐานในปัจจุบันทําไมตัวเรายังไม่รู้นิพพานไอ้เนี่ยเราปล่อยวางทั้งหมดแล้วเราคอยติเกตตัวเราอะเอ๊ะทำไมตัวเรายังไม่รู้นิพพานไอ้นี่เนี่ยไอ้ตัวเราดูนิพพานก็เป็นสังขารนี่เห็นว่าที่ปรับปรุงแบบเนี้ยเป็นสังขารพอเห็นเปไ็สังขารปุ๊มันจะได้ไปล่อยวางสังขารไปแล้วที่ตัวมันจะถึงความไม่มีตัวเรา กี่โมงกี่ยามก็แล้วเนี่ยเขาบอกคุณค่าหลงตามีใครสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยก็ทำความเปียนนะอากาศดีมาก